ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องเชิญพิสูจน์มรรคผลในศาสนาโดยพ่อท่านสมณะภูธิลักษณ์ซึ่งเป็นการแสดงธรรมเื่องในงานศพที่วัดชนประทานรังสริศเมื่อวันที่24กันยายน2547ขอเชิญท่านติตาฝังได้ณนะบัดนี จเจริญธรรมทุกๆคนเรามางานศพกันก็มาฟังธรรมเป็นหลักงานศพต่างจังหวัดเนี่ยก็มาเป็นเพื่อนศพกันอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะสนุกสนานเฮฮากันเยอ ะ, อะมางานศพก็ดีไม่ดีก็กินเหล้ากันนะเยอะแยะ อินเล่าเมายาเอะมะเถิงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เท่านั้นนั้นเล่นการพนันด้วยว่ากันนี้เคลงไปเลยจริงๆแล้วแต่เดิมจริงๆนั้นผู้ตายมีคนตายลงไปญาติพี่น้องก็เศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรนเพื่อนๆบาดมิรสหาย ยาติโกโยติกาก็มาช่วยปลอบใจให้อบอุ่นผู้มีธรรมมีปัญญาก็ช่วยแนะนำอธิบายธรรมะปลอบโลมไม่หายเศร้าหายโศกหายอาววรอะไรอะไรเกิดขึ้นก็ดีเมื่อได้อธิบายธรรมนี่แหละมันจะเป็นประโยชน์ ธรรมาแต่กินเหล้าเมายาเอะมะเทมเหล็กการปรนองการพนันอะไรกันกันมันก็มีแต่เรื่องเสื่อมเรื่องเสียหายเท่านั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรเพเนื้อหาสาระก็อยู่ที่ได้ธรรมะเพราะผู้รู้ก็เลยนอกจากจะมาเป็นเพื่อนศพแล้วม า, มารวมกันมากๆเข้าก็เลยเอาผู้รู้ธรรมามาบรรยายก็นิมนต์พระมาเทศมาบรรยาย ทีนี้แรกแร ก, ก็ไม่รู้จะเทศอะไรบรรยายอะไรผู้ที่เป็นพระธรรมกัึกเรียกว่าผู้ที่แสดงธรรมเป็นท่านก็แสดงไปได้ผู้ที่ไม่เป็นพระธรรมกถึกแสดงธรรมไม่เป็นก็ไม่รู้จะแสดงอะไรก็เลยไปเอาพระธรรมของพระพุทธเจ้าออมาออท่องให้ฟังท่องไปท่องมา ก็จะเอาบทในท่องดีก็เอายอดพระไตรปิฎก ด, ด้วยแหละยอดพระกันเอามาเทศเอามาสวดกันก็เลยเกิดการเป็นการสวดสวดพระธรรมนี่ก็เอาว่านั่นแหละก็อย่างที่เราได้ยินเอามาติกานักๆมาสวดกันซึ่งเป็นเรื่องของประมาทเป็นเรื่องของคําสอนที่สุดยอดยอดพระไตรปิฎกและยอดกันพระกัน ฟังแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องใจก็ถือว่าดีก็ทํากันมานานนะเดี๋ยวนี้ก็แปลงเปลี่ยนไปไปเทศหรือ ว, ว่าบรรยายัญญาตหรือว่าสวดในเรื่องอื่นๆไปบ้างไม่เอาแต่เรื่องนะพระอภิธรรมมาสวดนักบางทีก็สวดให้เป็นภาษากรอนเป็นภาษาอะไรจะได้ไปนะแต่ที่จริงก็คือเทศนะั่นแหละดีที่สุด แต่ประเพณีมันก็ติดมานานก็ทํากันไปตามประเพณีผลที่ได้เมื่อมารวมกันแล้วในกรุงเนี่ยไม่มีอะไรมากไม่เหมือนบรหนอบรรยอเขาไปอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนศพเป็นเพื่อนผู้ญาติผู้ตายกันจริงๆนอนข้างบ้านข้างเรือนกันไปจริงๆนอนเป็นเพื่อนเป็นฟูงกันไปจริงๆส่วนในกรุงนั้นงานมากธุระมากทำไม่ถึงได้ไม่ได้ถึงขนาดนั้น ก็ทำกันแค่อย่างนี้แหละเป็นตัวอย่างพอลำลองก็มางานศพก็ม า, าทำแสดงเป็นประเพณีอีกชนิดหนึ่งมีขนบใหม่ก็มาคาราวะศพมาแสดงความเป็นเกียรติอะไรนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องของการปรุงแต่งของพิธีกรรมพิธีการไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของประวัติของลีลาของการเป็นมาของการเกิดพิธีการงานศพกัน มีมากมายกว่านี้อะไรจะะอไรต่างๆนานาถ้าจะว่าไปแล้วอาตมาเทศเรื่องนี้แล้วผู้ยาวแต่ว่ามันเดียวมันลงโร ง, งจะพังแต่ยังดีนะเทพวัดชนระทานไม่เท่าไร่ถ้าไปเทศวัดอื่นแล้วโรงพังแน่เพราะว่ามันบานปลายกลายเป็นการหาเงินกลายเป็นค้าการข า, ายค้าดอกไม้ค่าอาหารค้าเครื่องตกแต่งค้าอะไรก็ไม่รู้หากินกันใหญ่นีน ทีนี่เขค่อยยังชั่ววัดชมประธานท่านยังมีสมาธิิยังรู้อะไรต่อะไรก็พอพูดกันได้ถ้าไปวัดอื่นเดี๋ยวเราไหลจะวัดไม่ทันเพราะมันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสจนกระทั่งเปลืองผลานทําลายสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่บานปลายออกมานอกรีดนอกรอยพระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้กับภาษารีบุตรถามวัดศพให้ทําอย่างไรท่านบอกว่าให้เผาให้เร็วที่สุด ไม่ให้รอแม้แต่ญาติที่เดินทางไกลยังมาไม่ถึงเป็นคําตรัสของพระเจ้าที่ตรัสกับภาษาลิบุตรที่ทูลถามเราว่างานศพให้จัดการยังไงดีที่สุดท่านตรัสอย่างนี้นบอกให้เผาเร็วที่สุดไม่ให้รอแม้แต่กระทั่งญาติที่เดินทางไกลยังมาไม่ถึงเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนั่นเะป็นคำตรัสของท่าน แต่เดี๋ยวนี้ก็ทำกันไปก็บอกมีเกียรติก็ยิ่งเอาไว้นานๆสวดรอยวันสวดสามเดือนสวดหเดือนอะไรก็แล้วแต่ยิ่งไปกันใหญ่เลยนอกเจตนาลมนอกพระพุทธประสงค์ไปกันคนกันเรื่องพระศพนั้นตายแล้วก็มีแต่ทางที่จะเน่าเหม็นเสื่อมเสียหน้ากรีดหน้าชังบวมอืดเ น, น่าพองอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมา เป็นที่น่าเกลียดไม่ดนะีเพราะก็ต้องรีบนะทําความเรียบร้อยซะจากัดไปให้เร็ว เ, วเอาไว้นานก็เป็นที่อะไรเอาวอลอีกนานด้วยนะเพราะถ้าเราจะเผาให้เร็วที่สุดเท่าไหร่ได้ก็เป็นเรื่องดีนะทําตามพระปัญญาพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นแต่ก็ไม่เคยเข้าใจกันนะเพราะว่าเรื่องประโยชน์เป็นผลประโยชน์ เอาไว้หลายวันก็ได้ค่าสวขค่าสลาค่าชาวขาอะไรก็ไม่รู้แหละก็เลยเป็นเรื่องยิ่งไปกันใหญ่นะเอาละอัตมาจะตัดเรื่องนี้นะไ ม, ไม่พูดเรื่องนี้มากมายพูดไปเดี๋ยวหัวแตกพูดไปแล้วมันก็กระเทือนผลประโยชน์คนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบไปทําลายผลประโยชน์เขาไปขัดขวางอะไรงี้เป็นต้นนะมาพูดถึงสัจจะ มาฟังธทรรมแล้วก็ควรจะฟังสัจจะสาระศาสนาพุทธนีเป็นศาสนาแห่งสัจจะเป็นศาสนาที่ยังถึงยอดแห่งความจริงความจริงสุดประเสริฐเรียกว่าอริยสัจเป็นความจริงสุดประเสริฐเข้าใจถึงเรื่องนามมาทำในระดับจิตเจตสิกถึงนิพพานเข้าใจอาการของจิตเข้าใจถึงกิเลส คนเรามันชั่วอยู่ทุกวันนี้มันก็เพราะกิเลสทาอะไรเร็วๆก็เพราะกิเลสกิเลสนี่เป็นเหตุแห่งความชั่วแห่งความทุกข์แห่งความไม่เป็นสุขไม่เรียบร้อยไม่สงบเป็นไปเพราะความเดือดร้อนไปทุกกาลยุคไหนสมัยไหนก็เรื่องกิเลสทั้งนั้นเป็นเรื่องตัวเหตุตัวร้ายศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาที่แปลก เป็นศาสนาที่ไม่เหมือนศาสนาไหนๆเพราะเป็นศาสนาที่พูดถึงกิเลสพูดถึงความเลวร้ายแล้วความเลวร้ายนั้นมันอยู่ไหนอยู่ในตัวคนทุกคนเพราะมีกิเลสเต็งทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงกิเลสก็เป็นการกล่าวกล่าวแรงพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นการกล่าวแรงเมื่อกล่าวถึงทุจริตรือตัวอกุศลต่งตางๆมันก็ไปกระทบคนที่มีและคนที่ยังไม่เป็นพระ อ, อรหันต์ก็มีกิเลสอยู่ทุกคน เพราะก็ถูกว่าทุกคนจะถูกกล่าวหาทุกคนจริงๆไม่ใช่กล่าวหาหรอกที่จริงเป็นความจริงเพราะว่าคนที่มีกิเลสคนใดกิเลสมันก็พาคนนั้นได้กระทำกรรมที่ไม่ดีน้อยก็ตามมากก็ตามทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นตัวเหตุให้พาทำกรรมชั่วคนที่จะโกงคนที่จะคอร์รัปชัน คนที่จะปล้นจะคมคขืนฆ่าก่อนจะทําก็รู้ทุกคนนะว่ามันชั่วคนจะคารพชั่นเขก็รู้มันชั่วคนจะปล้นไปทําการปล้นรู้ทั้งรู้มันชั่วคนจะปล้ำข่มคืนมันรู้ว่ามันชั่วมันทำเนี่ยมันลังจะทำเนี่ยมันชั่วรู้ทุกคนแต่เพราะกิเลสในตัวเขามันแรงกว่าความรู้ เพราะฉะนั้นความรู้ไม่ได้ช่วยอะไรมนุษย์ความรู้นี่ไม่ได้ช่วยเลยถ้าไม่ละกิเลสไม่ได้ช่วยให้มนุษย์นี่ดีขึ้นได้ความรู้มีแต่โลภรู้มากกับโลภมากรู้มากกับฉลาดมากเอาเปรียบมากกอบโกยมากให้เดือดร้อนไปทั่วทุกวันนี้การศึกษาก็เร่นแต่ความรู้ไม่เรียนเพื่อลดกิเลสพูดก็พูดเถอะแม้แต่มหาวิทยาลัยของสงฆ์ก็ไม่ได้เรียนเพื่อลักกิเลส เรียนเอาวิชาความรู้ไปเพื่อสร้างลากยศสันเสริญโลกีสุขเป็นโลกี ล, ล้มเหลวหมดนะเพราะคนทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้เห็นความสำคัญอันนี้เมื่อไม่เห็นความสำคัญอันนี้ปล่อยประละเลยโลกจึงจาแย่ลงทุกวันทุกวันทุกวันมาถึงวันนี้แล้วเดือดร้อนมากอยู่กันยังไม่เป็นสุขอยู่กันยังลำบาก ทั้งๆ ท, ที่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะพุทธศาสนิกชนเดี๋ยวนี้เขาสำรวจแล้วไม่ถึง9ก้าสิเปลี่ยนไปเป็นไม่มีาศาสนาซะบ้างไปเข้ า, าศาสนาอื่นซะบ้างเหลือ 85% บหชาวพุทธในประเทศไทยแต่ก่อนนี้ 95% ห้าเดี๋ยวนี้เหลือ 85% ห้าเอาละ 85ก็ไม่น้อยว่ากันจริงแล้วเป็นพุทธศาสนิกชนทั้ง85นี่ถ้าพุทธศาสนิกชน85ปเซของประเทศเนี่ยมีเนื้อหาของพุทธขอยืนยันเลยว่าประเทศไทยจะไม่เป็นอย่างทุกวันนี้แต่85ปนี้ไม่มีเนื้อหาของพุทธเลยแม้แต่จรณะข้อที่หนึ่งคือศีลไม่มี แศา ส, สนาพุทธสอนเรื่องกรรมกรรมเป็นเรื่องจริงกรรมเป็นพระเจ้ากรรมนี่แหละคือพระเจ้ากรรมเป็นซาตานก็ได้ศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยมไม่ได้นับถือพระเจ้าแต่นับถือกรรมใครทำกรรมดีดีก็พาไปดีใครทำกรรมชั่วชั่วก็พาไปชั่วพาไปตกตำ่ำไม่ใช่พระเจ้ามาสั่งให้ต่าพระเจ้ามาสั่งให้สูง พระเจ้าให้สั่งให้ขึ้นสวรรค์พระเจ้าไปสั่งให้ลงนรกไม่ใช่าศาสนาพระทธเจ้าเป็นาศาสนาเชื่อกรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ประกาศาศาสนาของพระองค์ท่ามกลางาศาสนาหลากหลายเลยในยุค ข, ของท่านาศาสนาทั้งหลายเหล่านั้นเทวานิยมทั้งนั้นนับถือพระเจ้ากันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยบังอาจประกาศาศาสนาของพระองค์ว่า ท่านไม่ขอพึ่งพระเจ้าท่านขอพึ่งตนเองพึ่งกรรมอัตติอัตโนนาโถพึ่งตนเองไม่พึ่งพระเจ้ากัมมะปฏิสระโนพึ่งกรรมไม่พึ่งพระเจ้าเป็นการท้าทายมาเขาพึ่งพระเจ้ากันทั้งนั้นแต่พระรูเจ้า ดดดีดดเ ด, ด, เดอยู่องคเดียวประกาศศาสนาทรรมกลางพระเจ้าทั้งนั้นท่านก็นําพาศาสนาของท่านมาจนถึงทุกวันนี้ในเมืองไทยเราก็ยังนับถือศาสนาพุทธกันอยู่แต่ไม่เชื่อกำไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อกรรมก็ทํากรรมชั่วได้ยจำเพิ่งโกหกก็ไม่เป็นไรบาปนะกโกหกก็บาปกินเหล้าก็บาปศีลหน้าเป็นศีลพื้นฐาน แต่ไม่มีศีลพื้นฐานกันเลยชาวพุทธแท้ฆ่าสัตว์ก็เป็นว่าเล่นเอาของเขาที่ไม่ใช่ของเราในฐานะอันเป็นขโมยก็ทำกันได้โกงกันได้อะไรก็ได้ผุดผิดผัวเขามีใครเละเทะหมดโกหกนี่อย่าไปพูดเลยว่าใครไม่เคยโกหกอาตมาขอถามหน่อยเถอะ คนเราทํากรรมแล้วเนี่ยมันเป็นของตนของตนกรรมสักตากรรมสึกษศาสนาพุทธเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อว่ากรรมเป็นของของตนนะกรรมสักตาพิปากศักตากรรมสักตาศัทธาตถาคตโพธิศัทธานี่เป็นการเชื่อสี่ประการของศาสนาพุทธเชื่อกรรมว่ากรรมนั้นเป็นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เกิด ใครทำก็เกิดใครทำทันทีก็เกิดทันทีแล้วเป็นผลมี่ปากกัสตาเป็นผลอยู่ในตัวเราเป็นผลไม่ไม่จะตกหล่นไปไหนทำเมื่อใดเป็นของเราเมื่อนั้นกรรมสักตาเป็นของของเราทำในที่รับทำในที่แจกทำแม้แต่ในความคิดเป็นมโนกรรมก็เป็นของเราสั่งสมเป็นสมบัติเป็นทรัพย์ของเราทำแล้วเป็นของเราเอาอะไรลบอะไรล้างไม่ได้ ไม่ไม่หกไม่ตกไม่หล่นไม่มีระเหิดไม่มีระเหยเป็นข้อเราครบๆทำหนักทำเบาเป็นข้อเราตามสัจจะตามจริงทั้งนั้นบางคนบอกว่าสีลห้าเราไม่ได้ถือเราไม่ได้สมาทานสีลห้านี่เราจะไปทำกรรมบาปอะไรฆ่าสัตว์ก็ไม่บาปเพราะเราไม่ได้ถือสีนะ่ะ ลักทรัพย์ก็ไม่บาปก็เราไม่ได้ถือศีกก็สองนะีผิดพวกรก็มีใครก็ไม่บาปแล้ไม่ได้ถือศีกก็สามก็สี่ก็หกก็ไม่บาปศีกก็หกักกินเหล้าก็ไม่บาปขอถามหน่อยเธอคุณไม่มีศีนคุณไม่ศรัทธาสมาทานศีนแต่คุณมีกรรมคุณกระทาคุณทําการฆ่าสัตว์พอฆ่าปับ๊บมันก็เป็นกรรมของเราแล้วเป็นกรรมสกษาแล้ว เป็นของคงตนแล้วถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนี้ใครไม่เชื่อก็อแล้วไปเถอะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรคนไม่เชื่อแต่ถ้าเชื่อก็เป็นอย่างนี้ทําแล้วแม่คุณจะถือศีลคุณจะสมาทานศีลหรือไม่คุณฆ่าสัพก็บาปอีกทุกการฆ่าทุกกรรมที่ฆ่าฆายุงตัวนึงก็บาปตัวนึง่งฆางัวตัวนึงก็บาปตัวหนึง่ง ค่าสัตว์ที่มีคุณมากเท่าไหรก็ยิ่งบาปเท่านั้นน้ําหนักของบาปมันก็มีมากมีน้อยต่างกันเยอะแยะซับซ้อนเป็นอจินไตยอธิบายไม่หวัดไม่ไหวเพราะคนจะมามอ้างบอกว่าไม่ได้สมาทานศีลนะ่ะเพราะงั้นไม่บาปหรอกกินเหล้าก็ไม่บาปหรอกเพราะเราไม่ได้สมาทานศีลเนี่ยไม่ได้ถือศีลด้วยมีบาปอะไร ศีลเป็นหลักที่ท่านให้เวรมณีให้งดให้เวน้นเพราะถ้าไปกระทําเข้ามันก็สั่งสมกรรมสั่งสมอะไรอะไรอีกเยอะแยะทั้งกายทั้งใจสั่งสมไปเป็นอํานาจในจิตเรียกว่าอินทรีย์เรียกว่าพลังเป็นอํานาจในจิตแล้วจิตเราสั่งสมสิ่งที่เป็นกิเลสก็หนานแน่นลงทุกวันแข็งแรงขึ้นทุกวันเป็นใหญ่ในตัวเองหรือว่าเป็นอินทรีย์ขึ้นทุกวัน เป็นอำนาจในตัวเองสุดท้ายก็อดไม่ได้ดังที่อัตมายกตัวอย่างแล้วว่าคนจะคอร์รัปชั่นคนจะโกงเนี่ยมันรู้ว่าโกงชั่วจะปล้นมันก็รู้ว่าปล้นชั่วจะปั้มข่มคืนมันก็รู้ว่าคมคืนนี่ชั่วแต่มันสู้กิเลสไม่ได้เมื่อกิเลสมันตะกล้าตะกรามมันโลกมากมันราคะจัดมันโกรธแรงมันโทสะจัดมันก็บังคับเรามันมันมันยิ่งใหญ่ขึ้นทุกวัน แล้วมันก็บังคับเราได้ให้เราทำชั่วดีไม่ดีทำมันต่อหน้าต่อตาเลยมันแรงจัดก็ไม่ได้กลัวใครแล้วถ้ามันแรงจัดมันก็ทำอย่างไม่ต้องกลัวเกรงอะไรกฎมงกฎหมายผู้คนมันไม่กลัวทั้งนั้นมันก็ทำชั่วได้อย่างนั้นจริงๆเพราะต้นทางแห่งสิ่งที่พาชั่วจริงๆนะคือกิเลสตัณหาอุปาทานพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้เป็นเรื่องหลัก ในอริยสัจสมุทรไทยแห่งความชั่วความทุกข์ความเลวคือกิเลสกิเลสตนาอุปาทานเพราะนั้นต้องมานั่งเรียนรู้เรื่องนี้าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาที่ไม่มีสเสน่ห์เพราะเป็นาศาสนาที่พูดถึงเรื่องเหตุแห่งความชั่วอย่างที่อัตมากล่าวแล้วเพราะกล่าวถึงเหตุแห่งความชั่วมันก็ถูกบุคคลที่มีมีกิเลส ก็ต้องยอมรับกันนะนวากิเลสเรายังไม่หมดเรายังมีกิเลสกันทั้งนั้นเรายังไม่เป็นพระอาหารหันต์ผู้ใดยังไม่เป็นพระอาหารหันต์ก็ยังกิเลสมีทั้งนั้นเพราะเมื่อพูดถึงกิเลสมันก็โดนว่าไม่มีเสน่ห์ไม่ชอบลองยิ่งไปวิเคราะห์วิจัยว่ากิเลสตัวนี้มันเหตุทำให้เลวร้ ย, ย่างงี้ทําชั่วทําหยาบย่างงี้เป็นเหตุทําให้ไปบานปลายเป็ น, ยงงนอย่างงี้ยังงี้ยิ่งฉีกน้ําออกไปมากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งเท่ากับฉีกหน้าคนที่มีกิเลสตัวนั้นตัวนั้นโดยเฉพาะเขาก็ได้ไปกระกทํากรรมอันที่เลวร้ายดังที่ว่านั้นมาด้วยมันก็เท่ากับตอกย้ําว่าคนคนนั้นเข า, าศาสนาพุทธไม่ได้เป็นาศาสนาที่พูดถึงเรื่องเอาแต่ความดีมาพูดเหมือนาศาสนาส่วนมากาศาสนาส่วนมากพูดจะดีดีดีเดี๋ยวนี้พุทธ ก็ไปเป็นเหมือนอย่างศาสนาอื่นมากแล้วพูดแต่เรื่องดีๆๆชั่วจะพูดทิ้งๆอย่าไปทุบพูดกระทบกระเทือนอ่าไปแปลว่าอนุประวาโธก็ไปแปลว่าอย่าไปพูดไปกระทบกระเทือนผู้อื่นพูดชั่วมันก็กระทบคนพูดดีมันก็กระทบคนพูดดีมันก็กระทบคนที่เขาทาดีพูดชั่วมันก็กระทบคนที่ทาชั่วเพราะนั้นแปลอนุปวาโธว่าอย่าไปพูดไปกระทบตนกระทบท่านและไม่ได้เรื่องเลย คนก็เลยไปกันใหญ่เลยไม่กล้าพูดกระทบความชั่วของคนไม่กล้าฉีกหน้าความชั่วของคนคนก็ไม่ได้แก้ไขความชั่วด้วยเหตุแห่งความชั่วอยู่ที่ตัวคนอยู่ที่ตัวใครก็แล้วแต่ไม่อยู่ที่ตัวเราหนึ่งนาทีมันก็พาเราชั่วหนึ่งนาทีมันพาเราชั่วหนึ่งชั่วโมงอยู่นานเป็นปีอยู่เป็นชาติมันก็พาเราทำชั่วทั้งชาติ พระพุทธเจ้าท่าบอกว่าต้องรีบรู้ต้องรีบบอกต้องรีบชี้ความชั่วให้แก่กันและกันเพื่อให้ออกจากความชั่วโดยกําจัดเหตุเหตุนในความชั่วเสียให้ได้ต้องรีบทําเป็นเรื่องรีบด่วนเหมือนไฟที่ไหม้อยู่บนหัวท่านบอกว่าเหมือนไฟมันไฟที่จุดไหม้อยู่บนหัวเหมือนอมีน้ํามันจุดไฟโผลงอยู่ลุกบนหัว มันร้อนต้องรีบปัดออกชั้นเดียวกันความชั่วมันอยู่ที่ตัวเราต้องรีบรีบปัดออกรีบทำลายออกเพราะมันอยู่ที่ตัวเรานานเท่าไรมันก็พาเราชั่วเท่านั้นถ้ากําจัดมันถูกเป็นปรมตจักําจัดถูกทางสัมมาทิฏฐิตามทางที่พุทธเจ้าท่านสอนท่านพาเป็นกิเลส ก, ก็จะลดได้จริงทุกวันนี้ในาศาสนาพุทธไม่เชื่อแล้วว่ า, าศาสนาพุทธ สอนให้คนเป็นอาริยะบุคคลได้นี่ก็คานแย่งกับคําสอนพระพุทธเจา้ารู้จ้าต้อตรัสตลอดเวลาไม่ตลอดเวลาหรอกตรัสไว้ยืนยันตราบใดมีผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบตราบนั้นโลกไม่วางจากอรหันต์แต่เดี๋ยวนี้พูดแล้ ว, วมันมีหรออรหันต์ไม่มีอะไรนี้แล้วศาสนาพุทธมีไหมคําสอนที่ถูกต้องมีไหมมีพระเจ้าปิดดกไปยังมีทั้งชุดแม้จะมีแค่45เล่มเนี่เทรวาสก็ตาม ของมหายานก็มีมากกว่านี้เยอะเอาเถอะของเทราวนี่สี่สิบผ้าเล่มก็ศึกษาให้ดีเอามาปฏิบัติเถอะเป็นอรหันต์ได้เป็นอาริยะบุคคลได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ให้พูดนั่นเอเนี่ยสอนเพี้ยนไปอีกอย่าเอามาพูดอรหันต์อาริยะอะไรมาพูดเดี๋ย ว, วยประราชิกตายเพราะไม่ให้พูดไม่ให้บอกกันว่าใครมี ธรรมะชั้นสูงมีอุตริมนุสธรรมหรือว่าบรรลุธรรมชั้นนั้นชั้นนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนั้นเมื่อบรรลุแล้วมันก็พาให้เราสบายอย่างนี้ดีอย่างนี้บอกกันไม่ได้เพราะคําสอนเพียนสอนเราบอกไม่ได้ทั้งๆ้งที่มีหลักมีเกณฑ์ในการบอกพุถุเจ้าตรัสไว้มีหลักมีเกณฑ์ในการบอกบอกกับคนไม่ควร บ, บอกบอกผิดพลาดท่านก็ปรับอับัตบ้างนะอับัตปาจิตตีแต่ขอให้ตัวเองมีจริงนะ ถ้าตัวเองมีไม่มีจริงมันก็อาบัตรปราชิกแต่ถ้าตัวเองมีจริง <c oughs> ก็บอกได้บอกกับคนที่ผิดพลาดน้อยอนุสมบัน์ก็ไม่เป็นไรก็อาบัตรปราจิตีก็ไปแก่เอาเพราะมันอาจจะเข้าใจกันผิดได้พรอบอกธรรมะสูงๆนี่บางทีมันหนึ่งมันไม่เชื่อสองเข้าใจไม่ได้เข้าใจผิดเพี้ยนไปได้เพราะก็ให้ระมัดระวังบ้างแต่ไม่ใช่ว่าบอกไม่ได้เพราะไปกันไม่บอกไม่ได้ ก็เลยเดาเอใครบนรลุธรรมใครเป็นพระอริยะใครเป็นโสดาใครเป็นสกิทาใครเป็นอาราหันต์ไม่รู้บอกไม่ได้อุงอุงอุ้งอุอุ้องอุ้งอุ้บอก้ม่ได้งอมมุ้งอุ้งอุ้งอุ้งอุ้งอุ้งอุ้งอุ้งอุ้งอุ้งอุ้ง้งอุ้ ง, งนอน้งอุ้งอุ้งอุ้งอองอุงอุงอุ้งองอุ้อุ้งอุ้งอุ้อุ้งงง ยิ่งทำดีๆพูดแต่ดีไม่ดุไม่ว่าไม่กล่าวให้เจ็บอกเจ็บใจไม่ทวนกระแสไม่ขัดเกลาจิตไม่เป็นสันเเละเขาทำไม่เป็นโสปสติโสตัง้งไม่เป็นธรรมะที่มันธรรมะของพระเจ้ามันทวนกระแสใจแล้วมันขัดเกลาจิตมันขัดเกลาไม่ใช่ธรรมะเอาใจธรรมะพระพุทธเจา้าเพราะเมื่อ ปฏิบัติก็ไม่ถูกพูดก็ไม่ถูกสอนก็ไม่ถูกธรรมะพระพุทเจ้าจึงเลือนไรสาระสาระสัจจะสูญไปหายไปจนเดี๋ยวนี้ไม่มีอริยไม่มีคนลดโลกโกรดหลงได้เลยมีแต่กฎข่มเท่านั้นเป็นแบบบุรุษีแบบอาราธดาบทโอ ท, ท, ท, ทกดาบทสอนกันว่าศีลก็เป็นปฏิบัติให้ขัดรักษากายวาจาส่วนสมาธิก็เป็นนั่งหลับตาเอา อย่างนี้เป็นตน้นแยกศีลแยกสมาธิแยกปัญญาทั้งที่ศีล ส, สมาธิปัญญาแยกกันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปได้วยกันพร้อมกันปฏิบัติพร้อมกันแต่ไม่เข้าใจแล้วธรรมะพระพุทธเจ้านะเมื่อไปแยกกันอย่างนี้สมาธิก็เข้าใจผิดสมาธิทุกวันนี้นี่ เป็นสมาธิฤูสีหรือเป็นสมาธิโลกีเป็นนั่งสงกตจิตอย่างนี้เรียกว่าสมาธินั่นแหละมีมาก่อนาศาสนาพระพุทธเจ้ามีมาแต่ไหนแต่ไรเป็นของดั้งเดิมของรูสีแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สมาธินะั้นท่านเรียกของท่านว่าสัมมาสมาธิเรียกให้เต็มๆ เ, เขาเรียกอริโยสัมมาสมาธิคือเป็นสมาธิของพระอริยะเป็นสมาธิอันประเสริฐ เตรัสไปในมหาจัตตารีสักสนะุในพระเจ้ปิฎ ก, กเล่ม14ข้อ25 252ถึงข้อ281ได้เปิดดูนะพระเจปิฎกภาษาไทยเดี๋ยวนี้อ่านง่ายไม่ต้องไปอ่านภาษาบาลหีหสมาสมาธินั้นเป็นข้อที่8ของมัคมัค8ในมัค8นี้นมีสมาทิทิสมาสังกปะสมาวาจาสมากมารรมตะสมาอาชีวะ สมาวายามาสมาสติและสมาสมาธิเป็นข้อที่แปพระพุะทธเจ้าท่ตรัสว่าปฏิบัติสมาสมาธิของพระอริยหรือสมาสมาธิของพระพระองค์ของท่านเองไม่ใช่ของศาสนาอื่นอันเป็นโลกุตระอันเป็นอริยะท่านตรัสระบุไว้อย่างนั้นจริงเลยระบุกำชับไว้เลยนะเป็นของพระอริยะเป็นของโลกุตระ ซึ่งศาสนาพุทธนั้นมีอาริยะมีโลกุตระศาสนาอื่นไม่มีหรอกเป็นโลกีทั้งนั้นนะศาสนาไปาส่งเสริมไม่รวยราบรวยยศรวยชั้นสันเสริญจริงๆแล้วแม้แต่เป็นพระบิดาเจ้าเนี่ยไปบอกเอาน่าให้รวยราบรวยให้รวยทรัพย์รวยศิน น, นั่นไม่ได้พูดไม่ได้จริงๆน่าเกลียด น, น่าอายแต่ทุกวันนี้นี่เลอะนอกจากจะเลอะอย่างนั้นแล้ยยังไปนูน่นขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้สิง่งอะไรบรร d o บรรดาให้รวยร่ำรวยยศนะรวยอายุยาวอายุยืนลเลือเทอะไปหมดไปเป็นเทวานิยมหมดออกนอกรีดนอกทางหมดาศาสนาพุทธวันนี้อาตมาพูดไปแล้วนี่มีคนหมั่นไส้ยังกับตัวเองรู้าศาสนาพุทธอยู่คนเดียวคนอื่นพินหมดพูดไปแล้วเอ้ารัดไหนก็เป็นอย่างนี้ท่านคนก็ถูกคนเดียวดิคนอื่นก็พินหมดที่มันน่าหมั่นไส้จริงๆด้วยแต่อาตมา ยังไงยังไงถึงวันนี้ใครห้ามไม่อยู่ละแต่ก่อนนี้อาตมายังพอมันยับมันยังเพราะว่าอายุยังไม่มากเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไม่รอแล้วอาตมาอายุขึ้นหลักเจ็ดแล้วเจดสิบกว่าไปแล้วนี่อาตมาไม่ยั้งแล้วมันไปหาตายแล้วหมดจะมานั่งอมประน้ำไม่พูดสัจจะอยู่นี่พอดีกันไม่ต้องรู้เรื่องกันพอดีตายเมื่อไร่ก็ยังไม่รู้เพราะอาตมาไม่ไม่ฟังเสียงตอนนี้ใครจะว่าไงใครจะมาต้มยําทําแกงอะไรก็ไม่ไหว จะมาจับอีกเป็นรอบสองขึ้นศาลอีกก็ไม่ว่ากันนะก็บรรยายประเทศธรรมะโพธิวาเนี่ยมีเรื่องที่จะว่าที่มันเสื่อมเสียมันเพี้ยนออกไปจากพุทธิ์อีเยอะอาระตมาละเว้นเรื่องที่จะไปพูดไปวิจารณสิ่งที่บกพร่องเสียพอพูดไปแล้วก็วอหัวแตกกันเปล่าก็เอาเรื่องเนื้อหากันแล้วกันสมาธิสัมมาสมาธิที่อาตมาว่าเมื่อกี้นี้นะนะ ปฏิบัติเจ็ดองท่านตรัสไว้ชัดในมหาจัตตารีสกสูตรเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่พูดถึงเลยในเมืองไทยก็ไม่พูดถึงในหนังสือธรรมะที่เรียนพระธรรมตีโถเอกไม่มีไม่พูดถึงประเดียงยังไม่มีเลยประเดีถึงประเดี๋ยงเก็ไม่ได้ม่ได้เรียนกันผ่านหมดมหาจัตตารีสกสูตรนี่ผานหมดไปเรียนวิสุทธิมัตเป็นหลักวิสุทธิมัตที่เป็นเทวนิยมกึ่งหนึ่ง อมุตตโคสาจาร์เป็นเทวนิยมกึ่งแล้วก็นับถือของวิสุทธิมรรคนี่เป็นหลักใหญ่เลยเลยไปกันใหญ่นะพระพุทเจ้าท่านตรัสไวช้ชัดว่าองค์ทั้ง7ตั้งแต่สมาธิธิตมาถึงสมาสติเนี่ย อ, องค์ทั้ง7เนี่ยปฏิบัติองค์ทั้ง7เนี่ยเป็นเหตุนะเป็นเหตุนะเป็นนิสัยนะเป็นเหตุเป็นนิสัยสร้าง ปฏิบัติแล้วจะสั่งสมเหตุสั่งสมนิสัยให้เกิดเป็นสัมมาสมาธิปฏิบัติลืมตาไม่ใช่ปฏิบัตินั่งสมาธิอย่างนี้นั่งสมาธิอย่างนี้นะพะพุทธจ้าไปบวชใหม่ๆตอนนั้นท่านก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรท่านท่านก็ยังเป็นอะไรแต่อยู่อ่ะไปเจออาราณนบทุทกดาบก็เป็นนั่งสมาธิตามได้ถึงอรูปฌานอารูปฌานเจ็ดอรูปฌาน8 ท่านก็ทำได้ไม่อยากไม่เย็นอะไรท่านก็บอกโอ้อยังงี้มันก็ท่านรู้แล้วมันก็ไม่ใช่ทานอย่าว่าแต่ท่านรู้เลยอาตมานี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าธรรมาก็ยังรู้เลยว่ามันไม่ใช่เพราะว่าธรรมาองพระเจ้านั้นใครที่ปฏิบัติธรรมากพระเจ้าก็จะเรียนรู้เป็นลำดับอย่างอาตมาก็เรียนรู้เป็นลำดับนะจกนกระทั่งทุกวันนี้ก็รู้ในส่วนที่ถูกต้องในส่วนที่ไม่ถูกต้อง ก็เอาส่วนที่ถูกต้องมาพูดกันไม่ถูกต้องก็วิจัยวิจารว่ากันไปการปฏิบัติปฏิบัติสัมมาสา ม, มาธิของพระุเจ้านั้นปฏิบัติลืมตาปฏิบัติทุกอิริยาบทปฏิบัติทําไม่ต้องแยกชีวิตออกไปจากชีวิตสามัญคุณจะคิดอยู่เลยว่าสังกัปปะคุณจะพูดอยู่เลยว่าวาจาคุณจะกระทําอะไรอยู่เลยว่ากรรมมันตะ หรือคุณจะประกอบอาชีพเรียกว่าอาชีวะอยู่ในมรรคองค์่นี้ทั้งนั้นจะดำรีนึกคิดอะไรก็ปฏิบัติทาได้เรียนรู้ใจอ่านจิตใจให้ออกใจมันอยู่ที่เราทุกคนมีใจมีจิตวิญญาณอยู่ที่เราทุกคนศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ตัวเรานี่เป็นหลอดทดลองซึ่งมี s u b j อยู่ในนั้นอยู่แล้วคือจิตวิญญาณ อยู่ในหลอดทดลองนี่แหละทุกคนมีมีตัวสิ่งที่จะพิสูจน์คือจิตวิญญาณอยู่ในหลอดทดลองคือร่างกายเราเนี่ยเป็นครูหาสยังจิตวิญญาณอยู่ในนี้ทุกคนดูของตัวเองพยายามอ่านทุกเวลาท่านสอนไม้หมดในพระไตรปิฎกมีมากมายวิชาทิติสูตรสกกรยทิติสูตร อัตนุทิฐสูตรก็สอนไว้อย่างชัดเมื่อเราเองมีผัสสะแล้วเราก็ต้องอ่านวิญญาณอ่านเวทนาอ่านอารมณ์ให้รู้จักอารมณ์ให้รู้จักวิญญาณมีผัสสะก็อ่านและวิจัยมีธรรมวิจัยสัมโพธิชงหรือมีติระนักปริญญามีตัวพิจารณาใจ ต, ตรองตรวจสอบทุกคนก็ควรจะรู้หรือก็คงรู้กันอยู่บ้าง ลองลองลองลองนึกึ ก, กดูสิขณะที่เราโกรธเนี่ยเราอ่านออกไม่ว่าใจของเรามันโกรธใจของเรามันมีอาการโกรธมันเป็นนามธรรมจริงมันไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นรูปเป็นร่างมีหัวมีหางมีแขนมีขาอะไรหรอกมันเป็นนามธรรมแต่มันมีอาการท่านบอกว่ารู้รูปนามนี้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศรู้ได้ด้วยอาการของมันรู้ได้ด้วยเครื่องหมายเรว่านิมิตรู้ได้ด้วยความแตกตา่าง โรคอาการโรคอาการโกรธมันต่างกันนะมันเกิดที่เราเนี่ยเกิดเมื่อไรเราก็ آ آ นนอ่านไม่ออกโอ้นี่เราโกรธแล้นี่เราโลคแล้วใจเราโรคในใจเราเป็นอาการอย่างนี้เองอะ่ะโอ้โหตอนนี้มันโลคไปเสียเบานะมันแรงนะนี่ราคะเกิดแล้วโอ้หูนี่ราคะนะผู้ที่ฝึกฝนอย่างนี้มีสติแล้วก็รู้ตัวเองตาเห็นรูปเกิดราคะตาเห็นรูปเกิดความโลภตาเห็นรูปเกิดความโกรธ เราก็อา่านใจเราหูได้ยินเสียงเกิดความโกรดหูได้ยินเสียงเกิดความโลภ ก, ก็อ่านใจเราให้ออกในเดี๋ยวนั้นแล้วทําวิปัสสนาหรือทําสมถะสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาเป็นวิธีปฏิบัติสมถะก็คือหยุดมันให้ได้จะด้วยวิธีใดๆกดข่มมันแค่ไหนโ ด, ดยสมถะวิปัสสนาก็คือใช้ปัญญาใช้ปัญญาตรวจสอบใช้ปัญญาข่มมันใช่ไม่ใช่ข่มรกชัดปัญญากำราบมัน ให้มันรู้ด้วยปัญญารู้เลยว่าเนี่ยไอราคามมมนะะมันเกิดเนี่ยมันก่อไม่ดีนะโทรษัมันเกิดเนี่ก่อไม่ดีนะมันจะาพาไปชั่วอย่างไร <Bronx. S 1> เราเคยมีประวัติเราเคยมีเหตุการณ์เราเคยมีประสบการณ์โอ้ดิเพราะชั่วไม่ใช่เพราะชั่วเพราะโกรธเพราะมันโกรธอย่างนี้ทีเดียวเราถึงได้ไปทำชั่วตอนนั้นเพราะมันโกรธตอนนี้ทีเดียวเราถึงไปไทำร้ายเขาถึงขนาดนั้นเพราะมันโลภ โลกอย่างนี้ทีเดียวเราต้องได้ไปทำไม่ดีตอนนั้นเพราะราคมันจัดอย่างนี้ทีเดียวเราต้องได้ไปทำาเอาเหตุผลเอาหลักฐานเอาข้อหลักธรรมของพระเจา้าเอาตัวอย่างของผู้ที่ปฏิบัติได้หรือแม้แต่เราปฏิบัติได้เองเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมายืนยันมาอ้างอิงมากำราบกิเลสเราใช้เหตุผลใช้หลักฐานใช้ความรู้ใช้ตัวอย่างใช้ของจริงทุกอย่าง มาให้กิเลมันมลดเราเรียกว่าวิปัสนาวิธีหรือวิปัสนาภาวนาถ้ากดข่มเฉยๆใช้แรงใช้เรียวใช้แรงให้กิเลมันหยุดไปดื้อนั่นเรียกว่าสมถะซึ่งก็ช่วยได้แต่ไม่ใช่สิ่งสมบูรณ์สิ่งสมบูรณ์ต้องใช้วิปัสนานี่คือวิธีปฏิบัติธรรม นะเพราะงั้นถ้าเราปฏิบัติตลอดเวลาไม่ว่าจะเวลาไหนจะดมบริในกามวิตตกในกามาสังกับปะหรือว่าในพยาบาทวิตกพยาบาทสังกับปะหรือวิหิงสา พ, พยาบาทนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิสารสังกับปะมิจฉาวาจาสี่จะพูดปดพูดสอเสียดพูดหยาบพูดเพ้อเจ้ออะไรพวกนี้ก็พอรู้ก็ต้องต้องมารู้ว่าเราทําอย่างนั้นและเราก็ต้องแก้ไข เมื่อแก้ไขได้ถึงจิตนี่มันจะมาเปลี่ยนแปลงทางกายทางวาจาด้วยเราจะห้ามไม่ให้กายวาจานี่มันทําละเมิดตามศีลข้อนั้นข้อนี้หรือตามที่มันเป็นทุจริตกายทุจริตวาจาก็ตามเราห้ามได้แต่กายกับวาจาเท่านั้นไม่พอหรอกเราต้องอ่านอาการใจยังไปถึงสมุทัยมันถ้าใครตรวจถึงสมุทัยได้ผู้นั้นแหละเป็นผู้ปฏิบัติธรรมถึงปรมตาถึงจิตเจตสิก และกิมยาตปริญญามิติรณปริญญาท่าปหานปริญญาสามารถที่จะกําจัดมีความรู้ในการกําจัดกําจัดกิเลสได้ถูกตัวมันแท้ๆนั่นคือผู้เป็นอริยะบุคคลที่ปฏิบัติไปเถอะปฏิบัติไปมากๆเขาวันหนึ่งก็เป็นพระอรหันต์เพราะปฏิบัติตามพจ้าเนี่ปฏิบัติได้ทั้งขณะสังกัปปะทั้งนํารินึกคิดอยู่พูดจาอยู่ ทำกระทอะไรก็แล้วแต่กรรมมันตะคือการกระทำทั้งปวงทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรว่ากรรมมันตะกระทำการงานการกระทำอะไรก็ทั้งนั้นอาชีวะก็ต้องรู้ว่าประกอบอาชีพในใดอยู่ก็ฉัดก็ปฏิบัติทำได้มีสมมาวายามะคือความพยายามกับสมมาสติสองตัวนี้เป็นอัศวินคู่ใจของสมาธิ สมา ธ, ธิจะเป็นประธานถ้าอรย์ไว่ได้มหาจตารีกรสกุลนี่จะประกาศไม่ชัดสมา ธ, ธิิเป็นประธานสมาวายามะสมาสติห้อมล้อมสมาธิธิอยู่เมื่อสมาวายามะสมาสติช่วยให้สมาธิธินี่ทำสำเร็จสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมะตะสัมมาหรืออาชีวะสัมมาก็ตามเกิดสัมมาผลขึ้นได้เมือม่อใดเมื่อใดเมื่อนั้น สมาายามาสมาสติก็เป็นสัมมาด้วยแล้วก็สั่งสมทั้งผลกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมตัวมโนเป็นตัวสำคัญมโนปวิจารณ์จะเกิดพฤติกรรมของมโนที่เปลี่ยนสั่งสมลงเป็นลดกิเลสถ้าเรามีวิปัสสนาเก่ ง, ก, งก็จะเกิดอนุปัฏฐ์สี จะตามเห็นอนิจจานุปัสสีตามเห็นวิราคารุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสขานุปัสสีคือจะตามเห็นเลยว่าความไม่เที่ยงอนิจจานุปัสสีมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรกิเลสธรรมดามันก็ไม่เที่ยงปุตตชนนี้กิเลสไม่เที่ยงเพราะกิเลสมันหนาขึ้นทุกวันกิเลสมันหนาขึ้นตลอดเวลาเลโลกิยะคุณอยากได้กินของอร่อย คุณก็ได้กินของอร่อยสมใจชื่นใจสมกิเลสกิเลสมันอยากกินอรอก็ได้กินสมใจถามว่ากิเลสอร่อยในกิเลสเหี่ยวหรือกิเลสโตกิเลสเหี่ยวหรือโตโตสุขโลกีกิเลสก็เมื่อเพิ่มขึ้นทุกแน่นอนทุกโลกีกิเลสมันต้องเติมมันต้องโตแน่ สุขทุกข์ของโลกียะนั้นทําให้กิเลสโตตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในโ ล, โลกกระทำอยู่ในโลกียะสั่งสมราภยศสัจเิลโลกียะสุขะจะเป็นสุขด้วยกามกามมัสุขหรืออัตถัตตสุขจะเป็นสุขเพราะเสริมอัตตาสุขเพราะเสริมกามก็ตามกิเลสโตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ศึกษาธรรมะของพระเจ้าการาน้าได้ทุกคนว่าสั่งสมกิเลสหนาอยู่ตลอดเวลาจึงชื่อว่าปุถุชน คนที่หนาด้วยกิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นตลอดเวลาปุถุนี่แปลว่าหนาแปลว่าอ้วนแปลว่าโตแปลว่ามากแปลว่าใหญ่ปุถุเนี่ยครั้นเมื่อไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าคนเราก็พลาดประโยชน์เสียประโยชน์ไปน่าเสียดายนะอาตมาเทศมาถึงเวลา45นาทีตามที่อย่างน้อยอีกหนึ่งนาทีนั้นะ ก็ตวัเทศมาตั้งแต่บวชมานะสกว่าปีแล้วก็เทศเรื่องปรมัตินี่แหละเพราะธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นธรรมะพิเศษเป็นธรรมะมีโลกุตระโลกุตระเท่านั้นที่จะนำพามนุษย์ไปรอดโลกียะเดียวนี้จัดจ้านและรู้เหลี่ยงกันโลกีได้กันมันรู้ทันกัน เพราะฉะนั้นมันจะแข่งแย่งลาบยศสันเสริญโลกียะสุกนี่มันแย่งกันดูไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นพระมันแย่งในเก่งเท่ากันเก่งกว่ากันด้วยมันแย่งในเก่งกว่ากัน้วยถ้าอยู่ในโลกียะไม่ข้ามมาเป็นพันใหม่มาเป็นคนพันโลกุตระต้องข้ามตระกูลศาสนาผู้นี้เป็นศาสนาพันใหม่เป็นเอเลี่ยนสปีซเป็นพันใหม่ เป็นตระกูลใหม่พระพุทธเจ้าค้นพบคนตระกูลใหม่เรียกว่าคนโลกุตระหรืออริยชนนาตมาก็สรุปลงตรงนี้อยากจะให้พวกเราใส่ใจธรรมะเพราะถ้าไม่เอาธรรมะเข้ามากอะกู้ศาสนาอย่างที่ท่านพุทธทาสพูดไว้ธรรมะไม่มีธรรมะไม่มาโลกาก็วินาศนะวินาศจริงๆ ขอยืนยันเพราะงั้นพวกเราเกิดมาเป็นพุทธแล้วเกิดมาอย่าโมฆะอย่าศูนย์เปล่าตายไปเปล่าเปล่าจริงจรงไม่เปล่านะตายไปแล้วได้หนี้กิเลสหนาขึ้นตายไปแล้วก็มีแต่กิเลสแล้วก็มีแต่หนี้บาปมากขึ้นเพราะงั้นก็อย่าประมาทชีวิตชีวิตเกิดมาเกิดมาเป็นพุทธได้พบศาสนาพุทธจงศึกษาศาสนาพุทธให้ดีแล้วปฏิบัติเอาให้ได้มรรคได้ผลไปกับตัวเองเป็นทรัพย์อันแท้ คุณมีเงินร้อยล้านพันล้านไม่ใช่ทรัพย์ไม่ใช่เลยมันไม่เป็นของคุณคุณจะไปโกงเข้ามาได้ห้าร้อยล้านพันล้านกอดเอาไว้ตายไปมันก็อยู่ที่นี่แต่โกงนั่นน่ะคุณโกงได้ห้าร้อยล้านพันล้านนั่นแหละมันเป็นกรรมมันเป็นทรัพย์ไอโกงไปหา 100, 000, 000, ้าร้อยล้านก็บาปเท่าห้าร้อยโกงได้พันล้านก็บาปพันล้านอันนั้นไปกับคุณ ไอ้ทรัพย์500ล้านพันล้านต่อให้คุณไม่กระดิกเลยกอดไว้จนตายให้ครบพันล้านมันก็กองอยู่ในโลกแต่กรรมที่คุณทำกงนั่นแหละมันไปกับคุณมันเป็นทรัพย์ของคุณจำไว้ทีเดียวอาตมาก็งดเวลาในการเทศเลยไปสองนาทีแล้วก็ขอจบลงไปดื้ดอๆกันแล้วกันก็ขอให้ทุกคนนะได้ฟังธรรมวันนี้อะไรที่ดีๆอะไรคิดว่าควรจะกระทาแก่ตน ก็จงประทธรรมให้มีประโยชน์ให้ได้มรดกได้ผลแก่ตัวเองทุกทุกคนเทิด